เมื่อเร็วๆนี้น ะ, ะมีข่าวเป็นข่าวดีก็ว่าได้ก็คือการประดิษฐ์คิดค้นวัคซีนตัวใหม่วัคซีนที่ว่านี้ไม่ใช่เพื่อป้องกันโรคโควิดนะแต่ว่าเป็นวัคซีนป้องกันโรคที่น่ากลัวและรุนแรงกว่านั้นนะคือโรคมาลาเรียโรคมาลาเรียนี่มัน เป็นโรคที่ฆ่าชีวิตผู้คนนี่มามากมายนะเรียกว่าซืมเนื่องยาวนานมาเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วก็ว่าได้เลือดจะเป็นแสนปีเลยเนี่ยมนุษย์เราตายเพราะโรคมารเรียนี่มหาศาลมากแม้จนทุกวันนี้นี่ก็มาเรียก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปเนี่ยปีหนึ่งก็หกเจ็ดแสนคน ก็ไม่น้อยเลยนะยัไม่นับคนที่ป่วยกระสอกระแสะนะเพราะโรคนี้แม้จะไม่ถึงตายนะแต่ว่ามันก็รบกวนรังควันชีวิตมือเราก็พยายามที่จะรับมือกับโรคมาเ ร, ย, เรย์มานานแล้วนะเพราะอย่างที่เราทราบนะั้นมาเ ร, ย, เรย์นี่มันมียุงเป็นพาหะตอนที่มนุษย์เราค้นพบดดีทีเนี่ยนะก็คิดว่านี่จะสามารถจัดการกับ ยุงที่เป็นพาหะมาลีเรียนี้ได้อย่างสิ้นเชิงนะแต่ปรากฏว่าก็ทำไม่ได้นะเพราะเหตุปัจจัยนี้มันมีมากกว่านั้นคุมยากเพ้นการที่ผลิตวัคซีนป้องกันมาลีเรียนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากใช้เวลานานา น, นะมาหลายสิบ ป, ปีแล้วกว่าจะคิดค้นได้ไม่เหมือนกับวัคซีน ป้องกันโควิดนะแค่ปีเดียวนี้ก็ผลิตได้ออกมาหลายตัวแม้ถึงแม้จะยังไม่มีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นะแต่ก็ช่วยลดการตายแลว้วก็กางความบาดเจ็บได้มากมายอย่างที่บอกนะมาเรยเรียนเนี่ยมันทำร้ายชีวิตผู้คนนี่มากมายมหาศาลนี่มีคนเขาคำนวณ น, นะ ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาหรือเรอาพราะตั้งแต่มีประวัติศาสตร์เนี่ยประวัติศามรัสยชาติเนี่ยคนตายเพราะสงครามและความขัดแยง้งนะเพราะการสู้รบกันนี่รวมแล้วก็ประมาณหนึ่งันล้านคนนะแต่คนที่ตายเพราะมาลาเรียนี่มากกว่านั้นหลายเท่าเลย เอาง่ายๆในเฉพาะช่วงห้าหมื่นปีที่ผ่านมาเนี่ยครึ่งหนึ่งหน้าของคนที่ตายตลอดเวลาที่ว่านี่นะเพราะโรคมาลาเรียนะโอ้มาลาเรียนี่มันทําให้คนตายถยึงครึ่งหนึ่งเลยนะตลอดประวัติศาสตร์ห้าหมืนปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนี่มันจะเป็นโรคที่จึงเรียกว่าหน้ากลัวและก็รุนแรงกว่าโควิด แลทุกวันนี้ในหลายที่เนี่ยอย่างเช่นในแอฟริกาเนี่ยหรือว่าตามชายแดนหลายประเทศเนี่ยมาลาเรียนี่มันระบาดได้เร็วกว่าโอมิครอนเนี่ยถึงห้าเท่าหรือยี่สิบเท่าเลยนะโอมิครอนนี่ถืว่าระบาดเร็วแล้วเนี่ยแต่ว่าในบางที่เนี่ยมาลาเรียนี่มันระบาดได้เร็วกว่าห้าถึงยี่สิบเท่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการอ่า พยายามกาจัดยุงเนี่ยที่เป็นพาหานี่จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทํามาตลอดแล้วก็เป็นไปได้ว่าในอนาคตไม่นานเนี่ยนะเราก็อาจจะทําอย่างนั้นได้นะคือสามารถที่จะกําจัดยุงให้หมดไปจากโลกได้อันนี้มีความหวังหรือว่ามีความเป็นไปได้แต่ก็มีคําถามขึ้นมาว่าถ้าเราทําได้อย่างนั้นเนี่ย มันจะดีไหมอย่างตอนนี้เนี่ยเขามีวิธีการปรับปรุงพันธุ ก, กรรมนะในตัวยุงนะทำให้ยุงเนี่ยเวลามันออกลูกออกหลานเนี่ยจะอายุไม่ยืนไม่ทันจะวางไข่ไม่ทันจะแพร่มันก็ตายซะแล้วถ้าทำสาเร็จ น, นี่ยุงก็ค่อยๆหดหายไปจากคราวนี้เราก็ว่า ทำได้นะสามารถจะกวาดล้างยุงให้หมดไปจากโลกเนี่ยมันควรจะทำไหมก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยไอ้ยุงที่มันเป็นอันตรายต่อมนุษย์นะจริงๆมันก็มีเป็นส่วนน้อยนะตอนนี้มียุงประมาณ 3,810 ปีชีวิเนี่ย 3,800 ชนิดเนี่ยที่เป็นอันตรายกับมนุษย์จริงๆเนี่ยมีแค่ร้อยเช่นยุงลายยุงก้นป่อง ไอยุงที่ดีๆเนี่ยมันก็มีนะยุงที่ดีๆนี่ก็มีหมายถึงว่ายุงที่ไม่ได้ก่อปัญหากับมนุษย์และไม่ว่ายุงดีหรือยุงไม่ดีนี่มันก็มีประโยชน์นะมันเป็นอาหารของสัตว์นานาชนิดเลยเช่นค้างคาวปลากบนะมแมลงปอมแมลงปอตัวหนึ่งกินยุงเนี่ยนับร้อยตัวนะ นี่ถ้าเกิดว่ายุงเนี่ยถูกกวาดล้างหมดไปจากโลกเนี่ยเพราะว่าฝีมือมนุษย์เนี่ยพวกนี้ลำบากเลยนะข้างขาวปลาแบงปอกบเนี่ยแล้วพวกนี้ก็มีประโยชน์ด้วยนะ้างขาก็ช่วยผสมเกสรอนหรือว่าทำให้อ่แพร่พันธุ์สำหรับไม้นาน า, นานชนิดที่มีประโยชน์นกบปลาก็เหมือนกันนะแบงปอก็ด้วย การทำมันด้วยเราสามารถกวาดล้างยุงไปหมดทั้งโลกได้นี่อาจจะแม้ จ, จะช่วยกำจัดมาลาเรียให้หมดไปนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นผลดีเลยนะอาจจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศสุดท้ายก็มีผลกระเทือนมาถึงเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดีกว่าทางว่าเราใช้วิธีป้องกันตัวเองนะป้องกันตัวเอง สร้างภูมิคุ้มกันสําหรับรับมือกับโรคม า, าลาเรียมันก็เหมือนกับเชื้อโรคนะเชื้อโรคที่เราจะแบคทีเรียเนี่ยเวลาพูดถึงแบคทีเรียนี่เราก็นึกถึงเชื้อโรคจนต้องมียาปฏิชีวนะเพื่อกําจัดมันต้องมียาฆ่าเชื้อมากําจัดแต่จริงๆแบคทีเรียเนี่ยที่เป็นอันตรายกับมนุษย์นี่มีส่วนน้อยนะแบคทีเรียมีประมาณหนึ่งล้านชนิดเนี่ยนะที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นี่มีแค่พันห้า ในที่เหลือนี้ก็ดีๆนะมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ไม่น้อยเลยไวรัสก็เหมือนกันนะไวรัสนี่มีประมาณแสนชนิดนะที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มีแค่สองร้อยห้าสบกว่าชนิดนะไอ้ที่มีประโยชน์ก็มีนะหรือว่าที่ไม่ได้เป็นโทษกับมนุษย์ก็เยอะงั้นถ้าเรากําจัดมันสมมุติเราทําได้นะกําจัดแบคทีเรียหมดไปจากโลกกําจัดไวรัสหมดไปจากโลกนี่ที่มนุษย์เราจะเดือดร้อนนะ เช่เดียวการกำจัดยุงให้หมดไปไม่เหลือสักตัวเลยเนี่ยเพราะงั้นการคิดที่จะกำจัดศัตรูเนี่ยหรือปัญหาเนี่ยโดยวิธีกวาดล้างให้ให้เกลี้ยงเนี่ยบนงะทีเป็นโทษมากกว่าการที่เราเตรียมตัวรักษาตัวให้ปลอดภัยรับมือกับมันนะให้ถูกต้องอันนี้ดีกว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนี่มันดีกว่าการไปกวาดล้างผาหะหรือว่า ตัวที่ก่อโรคซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดผลอะไรตามมากับมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายในเวลาต่อมา